ดีแกท่านมหาสมัยธรรมว่าที่เราประเทศที่ สุมมาอยู่ประจําวัดพุทธรังสีเมืองศิฏนีพระ เมื่อปี 2502 ไปศึกษาสามัญศึกษาที่วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีดู 1 ปีและ ท่านได้ชื่อว่าเป็นตัวแทนพระสงฆ์ไทยไปเผยพระศาสนาในทวีปออสเตรเลียไม่เคย สอนให้ความเชื่อห้ามวิพากษ์วิจารณ์คําสอนที่ตนนับถือมันๆก็ได้นําเอา ในการคิดค้นใดๆก็ตามแม้แต่หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพราะหลักคำสอนในพุทธศาสนาสูงกว่าหลักวิชาวิทยาศาสตร์มากที่พิสูจน์ข้อเท็จจริงได้มิใช่แต่ด้านวัตถุอย่างเดียวแต่สามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ทั้งด้านนามธรรมอีกด้วยเมื่อพิสูจน์ได้ข้อเท็จจริงแล้วก็มิได้นำมาใช้ในทางที่เกิดโทษมีแต่จะนำมาใช้ และคนอื่นอีกด้วยคนอื่นอีกด้วยบางพันได้นํามาใช้ การศึกษาตำราได้สําเร็จปริญญาแล้วก็เพียงพอบางคนอ่านไม่คิดเลย ปัฏจะตั้งเห็นหรือรู้ชัดด้วยตนเองฉะนั้นผู้จะ ในการปฏิบัติคู่คู่กันไปจะมีอย่างเดียวอย่าง นอกจากนั้นนั้นเราประเทศได้แนะท่านว่าเรากูจะเช่นทุโดงควัดมีการ การเผยแผ่พุทธศาสนาต้องมีการศึกษาพร้อมกับการ เราประเทศได้ 3 ประการ 1 พระอเปรียบ 2 พระลัทธิเถรวาท พระธีรวาทห้ามเขาฆ่าสัตว์แต่ตัว อัน 1 อันตรายที่ร้ายกาจยิ่งกว่านั้นของพระผู้เจ้าไป โคคูณคิดที่ได้จากออสเตรเลียตามประวัติเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนั่นว่าออสเตรเลียเดิมเป็นเมือง จึงได้ขนใส่เรือมาเทไว้ ด้วยเครื่องจักรจักรยนต์กลไกซึ่งเขาต้องการวัตถุดิบเอามา จักรไตออสเตรเลียไปซื้อแล้วออสเตรเลียยังมี 13 ล้านคนเท่า เป็นประเทศหนึ่งของโลกที่มีทรัพยากรมากที่สุดโลหะ ทรัพยากรบนดินบนน้ํายังมีอยู่เหลือหลายพลเมืองของประเทศ โลกได้ให้สมัญญาสมมุติว่าปิ่นนั่งกินนอนกิน ต้องหันมาดูเมืองเทวดาของไทยเราสิเข้าไปในเมืองแล้วเทวดาสักองค์เดียวก็ไม่เห็นเห็นมีแต่จิ๊กโก้จิ๊กกี้ฮิปปี้เต็มไปหมดในท้องถนนคนไม่เคยพัฒนาและไม่รู้จักความหมายในคําว่าแล้วสิ่งนั้นจะไม่ต้องทําอีกต่อไปเข้าก็ชอบใจ จึงจะรู้ว่าหนุ่มๆสาวๆนั้นคือแก่ยังมาไม่ถึงต่างหางไม่ใช่หนุ่ม คนเราเจริญเติบโตอยู่ได้เพราะอาหารแต่ต้องซึมปึงเลือด หลงลืมตัวเข้าถึงหลัก ที่ฝรั่งเศสกลับมา 24 ธันวาคม 2519 มีคือท่านเจ้าคุณสุวิริยานพระครู รวมชาวพุทธสมาคมที่นานดวยนอกจากนครจกาตาแล้วอีกเช่นบันดุงยอกจกาตาเมนดุตสมาบรังสุราบายาและ ทีมอันบีทูตของเราดังเช่นบีท่านจุกุลวิทูลธรรมาภรเป็นหัวมาลังสุราบายาแต่ละแห่งเรา มาร่วมไว้พระสวดหม่อม โอ้จะเกิดความสรดสังเวชไม่ได้พร้อมทั้งวนรึกถึงเมืองไทย ด้วยความมั่นญิตมั่นในศาสนวัตถุอูชนี 10 กว่าล้าน 113 ล้านคนแล้วทําไมนะคนเรา ไม่เห็นแต่คนอื่นประเทศอื่นเข้าบ้างเลยๆเผา มาซ้ํามาบ้างก็ตอนฮอลันดามา 300 กว่าปีนี่เองๆที่เกี่ยวถึงประวัติศาสตร์ของ ยังมีๆซึ่งสร้างมาด้วยศรัทธาตามที่ดูก้อนหิน นอกจากชาวโลกรุ่นหลังๆอีกกี่ร้อยกี่พันปีมาเห็นเข้า เมื่อหัว prominมาและลึกทวยเมืองไทย ประเทยไทย đầu ปูฉนิยวะถุในพระพุทธษาสนายิ่งมีข้ามากกว่าที่อินโดนดีเซียซี่อีกถึงอินโดนีเซีย aretansioa จะมีปูฉนิยวะถุเป็นของอ Candestrenate becha kinder เราเชื่อ 100% เลยว่าถ้าหากคนไทยศึกษาให้เข้าใจประเทศ ไปตระเวนอยู่ในอินโดนีเซียนี้เจ้าคุณสุวิริยานและพระครู ตุลคลิเมื่อเอ่ยชื่อถึงพระเจ้าขุนวิฑูลรามจะรู้จักกันทั้งนั้นท่านเป็นพระที่ยอมเสียสละและอดทนยังยอมผฤติที่เพื่อบูชาพระศาสนาจริงๆนามว่าเป็นกําลังใหญ่สําคัญแก่สมเด็จพระญาณปัจจุบันสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จ หลายศตวรรษมาแล้วนับแต่พระสงฆ์ไทยได้ออกเผยแผ่ ผู้จะเป็นชิ้นอย่างทุกคุณวิถุนี้มีน้อยถ้าหากได้ เวลานี้ชาวอินโดนีเซียพากันตื่นตัวขมักเขม้นฟื้นฟูพุทธศาสนากันอย่างเอาเป็นเอาตายกันที ซึ่งเขาตั้งกันขึ้นเองเรียกว่า 2520 นี้พุทธศาสนาใน มีเรื่องเล่าว่าอินโดนีเซียรุ่งโรจน์ด้วยพุทธศาสนามีเอกราชอธิปไตยของตนเองมานานแสน ไม่ยอมนับถือศาสนาอิสลามหนีเข้าป่าเลยอีก 500 ปีข้างหน้าจะกลับคืนมา 500 ปีฉะนั้นชาว พุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นในปีเราประเทศที่ 프랑ซี อยากขออ้อนวอน องค์สมเด็จ หลังจากที่เราประเทศที่ๆสิงคโปร์ 3 ครั้งออสเตรเลียและอินโดนีเซีย 24 มกราคม 2020 เป็นเวลารวม แต่ก็ได้ประโยชน์เกินกว่าที่คาดหมายไปมากแต่กระนั้นการปฏิบัติ การอบรมธรรมะเราได้กินไว้แล้วในหนังสือปุจฉาวิสัชนาในต่าง ก็ปรึกษาเนื้อในของมันไว้ท่านที่โลกนี้มีอะไรบ้างที่ดี มนุษย์เหล่าทุกเพศทุกใบทุกชาติภาษาแม้ตลอดถึงสัตว์ทุก แล้วให้ได้หมาซึ่งความสุขที่ตนต้องการนั้น มันเจริญไปด้านหนึ่งของมันแต่อีก เราประเทศเมื่อก่อนไม่เคยไปเมืองนอกกับเขานอกบังเอิญได้ไปเที่ยวเมือง ในแต่ละประเทศก็มีสภาพเช่นเดียวกันกับประเทศของเราและประเทศเหล่าที่ได้ไปเห็นมาแล้ว ในเมื่อคนเราไม่ต้องการทุกข์สัตว์จำพวกอื่นก็เช่นเดียวกันแต่ตนของตน 3 ประการดังจะกล่าว นอกจากจะไม่นำความสุขมาให้แก่ตน ในเมื่อพูดถึงความดีของศีลธรรม ครัวครัวก็ดีสังคมก็ดีและอาชีพก็ดีทั้ง 3 รินด้านบริหารจะเป็นระบอบและลัทธิใดหากขาดหลักศีลธรรมดังว่านี้ การเดินทางครั้งนี้พลนกาโทชูสุทธิโชติกรรมการผู้จัดการบริษัทการบินไทย และบาหลีตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจําเรือบิน เจ้าหน้าที่ของบริษัทการบินไทยทุกท่าน แต่มีที่แห่งใดเหมาะที่จะสร้างวัดได้การที่ไม่ได้ก็ดีเหมือนกันถ้ามีการสร้างวัดขึ้นมาก็จะต้องเป็นกังวลอีกเพราะสร้างแล้วก็ต้องเป็นภาระมีธุระคอยดูแลพรรษา 55 56 สังฆานี้เป็นมัธจจักรตรงกับปีพุทธศักราช 2520 ถึง 2521 สังขารร่างกายเป็นมัธจักรมีการหมุน เมื่อออกจากหมู่ที่ภูเก็ตพุทธศักราช 2507 อยู่เฉยๆสิงก็แหบแห้งจนๆน้อยๆแต่ๆจนกระทั่งบัด เมื่อโถดแล้วก็มีปรากฏว่ามี ตรงกับปีพุทธศักราช 2522 ถึง 2534 เริ่มเดิม 28 ปีข้างนี้แล้วนับวันนานโกนี้แล้วนับว่านาน ก็อยู่เฝ้าวัดเป็นธรรมดาธรรมดาอย่างพระแก่ทั่วแฮตามกันเป็น 2521 พลฑณการเอกรินทร์ อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผู้ต่างเป็นพรวนไปเลยแทน แลการศึกษาธรรมะก็ไม่เจริญเท่าที่ควรถึง พระสักกาโรกาบริสังขันติสักการะโยมข้าบริตรผู้ ก็มีสถาก่อสร้างขึ้นจนเป็นถาวรนอนอยู่กินบิณฑบาตและกิจวัตร มาเป็นภาระของพระแก่คนเดียวเขาให้ชื่อ <inet philanthropy> <mag pes n ib us> คือด้วยกันอย่างดีแล้วก็มีผู้ใจกล้าเราพระที่คนหนึ่งก็ได้นําพระ คือเป็นก้อนดินเป็นก้อนดินน้ำลมไฟเหมือนกันแท้จริงอย่าง เราคิดถึงบุญคุณของพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่หมอนมุ้งม่าน ร่วมแต่เป็นของพุทธาษณาทางนั้นอยากแค่โรวคภายแค่เจ็บก็เป็นของพุโมิสถา INTER พิศรบมาทำทานทางนั้นอร้าบวดเป็นพระครั้งแรกก็ต้องอาศัยภากาวสวบัศอันเป็นเครื่องหมายของท่านผู้วิเศษที่อุปชิอาจารย์ให้แก้วเรา divorced MM กุพระศาสนาพุทธศาสนามีคุณอเนกอนันต์เหลือ ทางพุทธศาสนาไว้เป็นหลักฐานตามสมควรแก่สภาพของตนเมื่อ ของเหล่านั้นเป็นของภายนอกของเหล่านั้นจะเราไม่ดีประพฤติเลวหลายแล้ว ตั้งใจปฏิบัติตามสัยธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อพ้นจากทุกตั้งปวงนั้นจึงไม่ควรอุโบสถไปฟังไว้ในกองอิตกองปูนโดยแท้อุโบสตร ในกองผิวสิริอยู่บ้านโคกสวกตำบลพระพุทธบาทนีมีกิสัทธาสร้างพระปริสถานบนค้อนหิน เราไม่เกี่ยวข้องด้วยแต่อย่างใดทราบว่าได้พระครุฑองค์ใหญ่บางสะดุ้งหมานขนาดหน้าตักเป็น เราได้หาช่างที่มีความสามารถ 3 ครั้งจึงสําเร็จเรียบร้อยสวย ต่อมา 26 มีนาคมพุทธศักราช 2513 เราจึงพิจารณาเห็นว่ามั่นหิน พอจะสร้างอุโบสถครบไว้แล้วคงเม 12 เมษายนพุทธศักราช 2515 โดย พิมพ์ธรรมทโรว่าพระศรีมหาธาตุบางเกลือกรุงเทพฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พลนกาโทชู 7 เมตรยาว 21 เมตรสูง 9 เมตร มูลกระเบื้องดินเผากาบกล้วยโดยคุณไขศรีตันสิริกรมอนามัยเป็นบาทนางพัธูปูนศักดิ์ลัตติธรรมเป็นผู้ เป็นเหรัญญิกและหาอุปกรณ์ตลอดจนควบคุมการก่อสร้าง 7 เมษายนพุทธศักราช 2516 โดย เป็นประธานฝ่ายส่งและพลเอกอาโธชูสุทธิโชติเป็น ทำหน้าต่างบัวหัวเสากำแพงแก้วรอบอุโบสถทา เมื่อพุทธศักราช 2515 เราประเทศที่ฝรั่งเศสได้พิจารณาเห็นว่าสถานที่ตรง เราได้เอากึกปรารภบนในใจว่าเพื่อความ ต่อมาเมื่อปีพุทธศักราช 2520 คุณปรภัทรเกษะอาดได้มาเยี่ยมที่วัดเราได้ปรารภเรื่องนี้อีกผู้ เพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆของตัวมณฑปคุณประเวศเป็นผู้ที่สันทัดกับศิลปกรรม คุณปรภัทรได้นําให้ดูรับว่าเป็นแบบมดบที่งดงามสง่าน่า ต่อมา 2522 คุณประภัทรได้มาพบเราในระยะที่ยัง แห่งโรงพยาบาลพระพุทธบาทจมสระบุรีผู้เคย เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 3 ชั้นความกว้างคูณ 13 เมตร 13 เมตรสูง 36 เมตรได้อาศัยผู้ชิ่วชาญหลายฝ่ายร่วมกันพิจารณา ซึ่งหรือเอกชัยชาญโครงกีเสริมเหล็กทั้งหมดนั้นหรือเอกชัยฌานทินญาวัช เมตรสอบพื้นที่และชั้นหินต่างๆและ มีสิ่งใดไม่ดีไม่เหมาะก็ 29 เมษายน 2522 เล่มบก 2 เมื่อ 19 สิงหาคมปีเดียวกันในราคาก่อสร้างทั้งบาทนี่ภายหลังต่อมาราคาเริ่มแรกภายหลังต่อบาทเมื่อ กรมมีภูมิจิตศรัทธาทะวายปัจจัยร่วมบาทคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทการปี 2522 เพื่อหา 640,000 บาทกรมอนุมัติบาท เริ่มมีการก่อสร้างดําเนินมาจนปรากฏเป็นรูป ได้บริจาควัสดุอุปกรณ์และเงินสดซึ่งรวมคิดบาทนวะเป็นกําลังสําคัญ และลึกสันอย่างพิเศษทุกขั้นตอนเริ่มดําเนินการเลือกตําแหน่ง ทางญาติเข้มแกร่งเป็นพิเศษทั้งบาทบริษัทพวชลิเกต บริบาลบุรีพันธ์และคณะออกคุณนครคิงเป็นพระพุทธรูปที่ได้รับการออกแบบและ ในแพทย์แสวงวชรสวัสดิ์และญาติมิตรเป็นผู้ถวายค่าก่อสร้างเป็นเงิน 425000 บาทความพิเศษสุดท้ายซึ่งอาจเรียกว่าเป็น ไม่ได้มีการบริยารหรือออกฎีกาบอกบุญแต่อย่าง ด้วยความยินดีเต็มอกเต็มใจทั้งดีเพราะทุกคนที่ จะได้มีความภูมิใจเราพระเทศน์ที่ฝรั่งเศสปลื้มปิติในกุศลเจตนา กระทมศาลาของมัทินหมาเป็งเป็นศาลาโรงฉันยมยมยกพื้นสูงเสาไม้ฝาถ้าไม่ไผ่ขัดแตกหลังคามุงด้วยสังกะสีมี คือสถานเลื่อมใสจึงร่วมใจกันหาเงิน 11 เมตรยาว 17 เมตรโดยใช้แรงงานกรกฎาคม 2510 ค่าก่อสร้างเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 84,763 บาทและได้ให้นามศาลานั้น เพราะทางราชการได้ตัดถนนผ่านหน้าอุบาสกอุบาสิกาที่มาอยู่พักประจําสารักษาๆเมื่อถึงเทศกาลว่าสําคัญ ขอตํารุดอาจไม่ปลอดภัยเนื่องจากปลวกกัดกินจนเสียหาย อาคารกระปริหลังใหม่ได้สร้างขึ้นที่ 23 เมตรยาว 44 เมตรชั้นบนภายในตัวอาคารเป็น และปู่พื้นด้วยหินอ่อนศาลาปู่พื้นด้วยหินอ่อนทั้งหมดตัวอาคารปู